องค์5แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5พึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. รู้จักอาบัต 2. รู้จักอนาบัต 3. รู้จักอาบัตเบา 4. รู้จักอาบัตหนัก 5. าจำปาธิโมกข์ทั้งสองโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีท่องแท่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดีภิกษุทั้งหลาย พิษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยวงเล็บแปด